การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องทำภารกิจสี่ประการของพระอริยาาสัจสีคือทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรดต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญให้มาก นี่คือภารกิจสี่ข้อที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการบรรลุมากผลนิพานขั้นต่างๆบรรลุได้ต้องบรรลุอยู่ในกรอบของพระอริยาาสัจสีถ้าบรรลุโดยที่ไม่ได้เห็นหรือไม่ได้บำเพ็ญภารกิจทั้งสี่ประการนี้ ก็ไม่ถือว่าเป็นการบรรลุจริงเช่นทุกก็ไม่ได้กำหนดรู้สมุทัยก็ไม่ได้ละนิโรธก็ไม่ได้ทำให้แจ้งมรรคก็ไม่ได้เจญไม่ได้เจริญให้สมบูรณ์เพียงแต่ใช้ความคิดคิดว่าตอนเองได้รู้แล้วได้เห็นแล้ว ได้บรรลุแล้วแต่ความทุกข์ใจนี้ก็ยังมีอยู่ในใจสมุทัยคือตัณหาความอยากต่างๆก็ยังมีอยู่ภายในใจในโรธความหมดทุกข์ก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมามรรคก็ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้พิ จ, จารณา ลยังไม่ได้พิจารณาอาสุภะถ้าเป็นเช่นนี้ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่บรรลุธรรมแต่ละขั้นนี้จะรู้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจจะต้องรู้แล้วว่าตอนตอนนี้ตนเองมีความทุกข์อยู่ในใจแล้วก็ต้อง ค้นคว้าหาดูว่าความทุกนี้เกิดจากอะไรถ้ามีมักคือสติปัญญาถ้าได้พิจารณาทเคือใจลักหรืออสุภะอยู่เรื่อยๆก็จะสามารถมาพิจารณาดูว่าตอนนี้ทุก เกิดจากอะไรเช่นเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็ปั่นป่วนเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจก็สับก็ใสยกัวนก็วายหรือเวลาที่จะต้องเผชิญกับความตายเช่นเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็ง จะต้องตายภายในระยะเวลาสามเดือนหกเดือนตอนนั้นใจก็ปวนใจก็วุ่นวายใจก็ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่อย่างปกติสุขได้มีความหวาดกลัวมีความท้อแท้เบื่อหน่ายมีความทุกข์ มีความกลัวตายกลัวเจ็บนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้จเจริญมรรคคือถ้าไม่มีอาวุธที่จะมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้ตอนเองกำลังทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตาย แล้วก็อะไรจึงทำให้ต้องเกิดความทุกข์ใจเหล่านี้ขึ้นมาถ้าพิจารณาหรือถ้าได้ศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะไม่เจ็บก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เวลาต้องพบกับความตายก็ไม่อยากตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้พิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าเกิดจากวิภวตัณหาคือความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตาย แล้วจะทำอย่างไรให้ความทุกนี้ดับไปก็ต้องใช้มากคือความคือปัญญาที่จะสอนใจให้เห็นความจริงให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้ว ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นอนิจจ์และร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาร่างกายนี้และเวทนาคือความ เจ็บของร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดก็จะต้องตายไปเวทนาก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปสั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้ จะไปสั่งให้ร่างกายไม่ตายก็ไม่ได้สั่งให้ร่างกายไม่เจ็บก็ไม่ได้เพราะร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าใจไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายก็สร้างวิภภาวะตัณหาขึ้นมาวิภาวะตัณหาก็คือตัวที่สร้างความทุกข์ใจนี้เองถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจ ก็ต้องหยุดความอยากนี้เท่านั้นเองหยุดความอยากไม่เจ็บคือความอยากให้มันหายเจ็บถ้าเวลาเจ็บความอยากให้มันไม่ไม่ตายต้องหยุดมันต้องปล่อยให้มันเจ็บเวลามันเจ็บต้องปล่อยให้มันตายเวลามันจะตายเพราะอย่างไรเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา มันอยู่เหนือความสามารถของเราที่จะไปห้ามมันไม่ให้เจ็บได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปเวลามันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายไปเราห้ามมันไม่ได้นี่คือมรคถ้ามีมรค ก, ก็คือมีปสติปัญญาที่เห็นใจรักในขันห้านี่เองขันห้าก็คือร่างกายและเวทนา อยู่รวมกันเวทนาก็มีส่วนมีสัญญาสังขารวิญญาณร่วมเป็ น, เ, ปนเหมือนเป็นเป็นขบวนการแต่เราดูตัวใดตัวหนึ่งเราก็จะเข้าถึงทั้งสี่ตัวรูปก็คือร่างกายรูปประคันก็คือร่างกายร่างกายเราก็ต้องศึกษา ให้เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังเขาเป็นอัตตาหรือเขาเป็นอนัตตานี่คือเรื่องของการเจริญมัจคือปัญญาต้องต้องเห็นความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายนี้เช่นขันห่านี้ขันห่านี้ เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปยึดไปติดถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดทุกขังขึ้นมาทุกขังนี้ก็คือทุกในอริยสัจสี่นี่ทุกที่เกิดทุกที่ปรากฏขึ้นเวลามีความแก่มีความเจ็บมีความตายนี้ เกิดจากสาเหตุที่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองถ้ามีสติมีปัญญาได้ศึกษาได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายในขันห้าอยู่อย่างสม่ำเสมอจนเห็นแจ้งเห็นชัดว่าร่างกายนี้ยังไงยังไงก็ต้องแก่ยังไงยังไงก็ต้องเจ็บ ยังไงยังไงก็ต้องตายจะเห็นแล้วก็เห็นว่าไม่มีไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งมันได้คือเห็นอนิจจังอย่างชัดเจนตลอดเวลาเห็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาว่าห้ามไม่ได้เหมือนกับเราเห็นฝนฟ้าอากาศว่าเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้ฝนฟ้าอากาศก็อนิจจัง เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวฝนก็ตกบ้างเดี๋ยวฝนก็ไม่ตกบ้างเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวอออากาศมืดมัวอันนี้เป็นเรื่องของอากาศที่เรียกว่าเป็นอ น, นิจจังเป็นอนัตตาเราเราไม่ได้ทุกข์กับพวกดินฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามความอยากความต้องการของเรา พ็เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ฉันใดร่างกายของพวกเราเวทนาความรู้สึกเจ็บไม่เจ็บก็เป็นอย่างลุมดินฟ้าอากาศมีการแ ป, ปรปลวมมีการเปลี่ยนไปมีการเจริญมีการเสื่อมแต่ทาไมเรากลับไปวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายทำไมเราไม่ปล่อยร่างกายปล่อยเวทนา เหมือนกับเราปล่อยดินฟ้าอากาศเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกันร่างกายเป็นอนิจจังเหมือนกับดินฟ้าอากาศร่างกายเวทนาเป็นอนัตตาเหมือนกับดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศแต่เราต้องมาทุกข์กับฐานห้าคือ รูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เพราะว่าเราขาดปัญญาเราไม่มีปัญญามาคอยสอนใจคอยเตือนใจว่าอย่าไปยุ่งกับร่างกายอย่าไปมีความอยากกับร่างกายกับความเจ็บของร่างกายเวลาเขาเกิดขึ้นมาเราต้องทำใจเฉย เหมือนกับเวลาที่ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราสามารถปฏิบัติกับขันห้างคือร่างกายกับเวทนาได้เหมือนกับเราปฏิบัติกับดินฟ้าอากาศได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายความเจ็บความไม่เจ็บของร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อน เวลาไม่สบายเราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับฝนตกเวลาเวลาหายจากการไม่สบายก็เหมือนฝนหยุดเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคือผลกระทบกับใจนี้เหมือนกันใจไม่ได้เสียไม่ได้กําไรไม่ได้ขาดทุนไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย ใจไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุนจากการที่มีฝนตกแดดออกใจก็เป็นใจเหมือนเดิมเท่าเดิมเป็นผู้รู้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่านั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามกับร่างกายร่างกายจะแก่ลงไปหรือจะสาวขึ้นมาก็ไม่ได้ทำให้ใจนี้แก่ลงไปหรือสาวขึ้นมาด้วย ใจก็เป็นเหมือนเดิมเดิมเดิมตั้งแต่วันที่ร่างกายนี้คลอดออกมาและจะเหมือนเดิมวันที่ร่างกายนี้ตายไปใจไม่ได้ไม่เสียอะไรกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายปัญหาของผู้ที่มีความทุกข์กับเรื่องของร่างกายก็เพราะว่าขาดปัญญาขาดมรคนั่นเอง ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะสั่งสอนใจให้เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นอย่างไ ร, รพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราเจริญมากให้มากเจริญใตรักให้มากพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย พิจารณาการพัดภาคจากกันอยู่เรื่อยๆร่างกายของพวกเราทุกคนมีสภาพเหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด <c oughs> เวลาถึงเวลาก็ต้องพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาถ้ามีปัญญาคอยสอนคอยตื่นใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก กิเลสตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่อยากพาดากจากกานันนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันจะเกิดขึ้นก็เพราะเวลาที่เราหลงเราลืมไปคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติที่ต้องมีความทุกข์ ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญอ น, นิจังทุกขา อ, น, าอนัตตาคือมรคนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองเวลาใดที่ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลานั้นใจก็จะลืมจะคิดว่าตัเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาส่องหน้ามองกระจกเห็นหนังเหี่ยวย่นก็เกิดเอาความตกใจขึ้นมา ว่าเป็นไปได้อย่างไรอยู่ดีๆมันก็เหี่ยวขึ้นมาเรือผมอยู่ดีๆมันก็ขาวขึ้นมาหรือก็เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็ทำให้เกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้ไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของตน แต่ถ้าได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆการพิจารณานี้ท่านเรียกว่าเป็นการกำหนดหรือเป็นการเจริญมรรคเจริญมรรคให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นอะไรร่างกายนี้จะต้องเป็นอย่างไรต่อไปร่างกายนี้ของทุกคนจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเกิดความตายตามมาในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของพระราชามาหากษัตริย์มาหาจัการพธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีของมหาเศรษฐีของคนธรรมดาสามัญหรือของคนยากคนจนขอทานข้างถนนมีสภาวะเหมือนกันหมดคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคน ถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะไม่ตกใจถ้าเราไม่พิจารณาเราจะตกใจเหมือนกับเราลืมไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจะไม่ลืมต้องพิจารณากับคนที่ใกล้ชิดเราคนที่เรารักคนที่เราห่วง คนที่เราไม่คิดว่าจะต้องตายไปก่อนเราเช่นลูกของเราส่วนใหญ่พ่อแม่จะคิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนลูกพ่อแม่ก็เลยไม่ได้ไปคิดว่าบางทีลูกอาจจะตายก่อนพ่อแม่ก็ได้พอเกิดเวลาลูกตายก่อนพ่อแม่พ่อแม่ก็เสียอกเสียใจนี่เป็นเพราะว่าประมาท ไม่รอบคอบผู้ที่มีความรอบคอบจะต้องพิจารณาทุกทุกคนที่ตนเองรู้จักใกล้ชิดมีความผูกพันว่าจะต้องตายจากกันและไม่รู้ว่าใครจะต้องตายจากกันไปใครจะไปก่อนใครเน้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตลอดเวลาเวลาคนใดคนหนึ่ง เกิดความเจ็บใข้ได้ป่วยขึ้นมาก็าจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้าหายก็อยู่ต่อไปถ้าไม่หายก็ตายไปก็มีเท่านั้นเรื่องของร่างกายไม่มีใครแตกต่างจากกันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นด้วยกันทุกคนเวลาร่างกายแก่ ก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลารู้ว่าร่างกายจะต้องตายไปก็จะไม่สบายใจแต่ถ้ารู้ไวล่วงหน้าก่อนได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนก็เหมือนกับจะมีภูมิคุ้มกันเหมือนกับเวลาที่เราไปฉีดวัคซีนการโรค ภัยไข้เจ็บเช่นโรคอหิวาเรื่องโรคอะไรที่มักจะระบาดแล้วมีวัคซีนฉีดป้องกันเวลาฉีดวัคซีนแรกๆก็จะรู้สึกเจ็บร่างกายได้รับเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในจำนวนปริมาณหนึ่งทำให้ร่างกายมีเจ็บมีความมีไข้ขึ้นมาแต่ เพียงวันสอวันร่างกายก็สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นได้แล้วต่อไปเวลาต้องไปติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยปรากฏขึ้นมาฉันใดการพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของคนที่เรารักหรือของตัวเราเองนี่เวลาพิจารณานี้จะรู้สึกไม่สบายใจ บางคนนี่ไม่สามารถพิจารณาได้เพราะบอกว่ารู้สึกหดหู่พอคิดถึงความตายแล้วมันเหมือนกับว่าไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปที่จะทําอะไรจึงกลัวไม่กล้าคิดถึงความตายกันความกลัวความตายจนทําให้ไม่กล้าคิดถึงความตายนี่แหละเป็นกิเลสเป็น ตัวที่จะมาทำให้เราต้องทุกข์ต่อไปเพราะเราจะไม่มีภูมิคุ้มกันเวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมากับเราเองก็ดีหรือกับคนที่เรารักก็ดีแต่ถ้าเราพยายามสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาแล้วก็พยายามพิจารณาความตายของ ตัวเราเองและของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆต่อไปใจก็จะรับบรรดาใจก็จะมีภูมิคุ้มกันความหดหู่ใจมันก็จะเบาลงไปน้อยลงไปแล้หมดไปและต่อไปจะคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่างรู้สึกไม่เดือดร้อนไม่หดหู่ใจเหมือนกับการฉีดวัคซีนฉีดวัน แรกก็จะมีอาการเป็นไข้ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นวันสองวันอาการไข้นั้นก็จะหายไปการเริ่มพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายใหม่ๆก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่อยากจะคิดถึงมันกลัวว่าคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วจะต้องเป็นไปตามความคิดนั้น <c oughs> ก็เลยไม่กล้าคิดกัน ดันไม่ต้องไปกลัวการพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันสร้างปัญญาขึ้นมาคุ้มกันความทุกข์ที่เกิดจากเชื้อโรคคือตัณหาวิภวตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันรู้ว่าเกิดขึ้นมามันก็ทำอะไรไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ทุกไปเปล่าๆการปฏิบัตินี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายแต่เราต้องการมายับยั้งความทุกเเรียกว่าดับความทุกนีโรดแปลว่าดับความทุก ความทุกข์ความการดับของความทุกข์ทุกที่ดับไปนี้เรียกว่านิโรธทุกที่โผลดขึ้นมานี้เรียกว่าทุกขกสัตย์สมุ ท, ทยัยตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้เรียกว่าสมุทัยยศาสตร์ต้องเอามรรคกสัตย์มาแก้สมุทสมุ ท, ทยัยยัาสตร์ ถ้าเห็นหน้าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ตลอดเวลาสมุทัยาสตร์จะก็จะต้องสมกตัวต้องหยุดไปเพราะอยากไปก็ไม่ได้อยู่ดีอยากไปทาไมถ้าไปขอเงินเขาแล้วเขาไม่ให้เนี่จะไปขอกินขังเขาก็ไม่ให้ยังจะบ้าไปขอเขาอยู่หรือเปล่าก็ไม่ไปขอแล้วขอหนสองหน ถ้าเขาไม่ให้เราก็จะแสดงว่าเขาไม่ให้เราแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาขอจันใดขอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็รู้อยู่แล้วว่าขอไม่ได้ขอยังไงมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายก็หยุดขอดีกว่ายอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายดีกว่าพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ ละสมุทยัยละตันหาคือวิภาวะตันหาความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายได้พอไม่มีความอยากนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ดับไปก็เรียกว่านิโรธนิโรธทําให้แจ้งนี่คือเอาอริยสัจมาดับอริยสัจเพื่อให้อริยสัจ นี้มีอยู่ไปตลอดคือให้มีนิโรธไปตลอดเวลาถ้ามีมรรคษัตริย์เต็มร้อยเหมือนกับมียาเต็มร้อยสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ทุกชนิดถ้าเราฉีดยานี้เข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นวัคซีนสามารถป้องกันโรคทุกชนิดได้ ก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นมากับร่างกายปัญญานี้ก็เป็นเหมือนวัคซีนที่ป้องกันความทุกข์ทุกชนิดของใจได้เพราะปัญญานี้จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาทั้งสามขึ้นมาได้คือกามะตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาถ้าจเจริญปัญญาได้เต็มรูปเต็มร้อย ปัญญาคือตายรักษณ์การพิจารณาไตายรักษณ์ในขันห้าการพิจารณาอสุภะในร่างกายการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่คือปัญญาที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้สามารถบรรลุธรรมถึงขั้นพระอนาคามีได้เพราะธรรเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย ขันหก็มีร่างกายอสุภะก็เกี่ยวกับการกําจัดการมาราคะการมาราคาเกิดขึ้นเพราะเห็นร่างกายว่าสวยว่างามก็จะเกิดกามรมารมณ์ขึ้นมาถ้าพิจารณาส่วนที่ไม่สวยหรือเวลาที่ร่างกายไม่สวยเช่นเวลาร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เรือแว่ที่ร่างกายตายไปหรือดูอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ถูกเนื้อหนังปกปิดหุ้มห่อไว้อยู่ถ้าสามารถแหวกออกมาดูได้เช่นไปดูภาพป่าศพต่างๆก็จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูของร่างกาย ที่ถูกปกปิดไว้ด้วยผิวหนังและเนื้อพอแหวกออกมาก็จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมก็จะสามารถทำให้การมาลมนั้นดับไปได้ผู้ที่ไม่มีการมาลมก็คือพระอนาคามีนี่คือทำขั้นของที่ในระดับที่เกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเรื่องของร่างกาย เราก็ต้องก้าวขึ้นไปสู่ทำขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นของพระอาหารหันต์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ก็เพราะว่ายังไปมีความทุกข์อยู่กับสังโยธาข้อด้วยกันก็ยังไปติดอยู่กับรูปฌปานไปติดอยู่กับอรูปฌานไปติดอยู่กับมานะ การถือเนถือตัวอัตตาตัวตนการไปติดอยู่กับการการคิดปรุงแต่งแบบไม่มีขอบไม่มีเขตจนเป็นความพุ่งสร้างขึ้นมาเป็นอุท ธ, ธัจจะขึ้นมาการพิจารณาก็ต้องใช้ความคิดพิจารณาปัญญาต้องใช้ความคิดแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบของปัญญา ถูกกิเลสลากพาไปก็จะกลายเป็นอุท ธ, ธรรัจจขึ้นมาถ้าเป็นอยู่ในกรอบของปัญญาจิตก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็อวิชชาคือไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นอริยสัจในในจิตเห็นแต่อริยสัจในกายปล่อยอริยสัจในร่างกายได้ ไม่ทุกกับเรื่องของร่างกายแต่ยังมาทุกกับใจยังมาทุกกับสภาวะของจิตอยู่สภาวะของจิตก็ยังมีเป็นไตยลยรัอยู่มีเปลี่ยนแปลงจิตสูงจิตต่ำจิตสงบจิตไม่สงบจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสจิตยัง ยังหลงติดอยู่กับสภาวะเหล่านี้ยังติดอยู่กับรูปประชาญยังติดอยู่กับอรูปประชาญยังติดอยู่กับอัตตาตัวตนยังถือตนอยู่ถือว่าตนสูงกว่าเท่ากับหรือต่ํากว่าบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เมื่อมีการถือตัวก็จะมี การมีความอยากให้บุคคลที่ตอนเองเกี่ยวข้องนั้นปฏิบัติกับตนให้เหมาะสมกับฐานะผู้น้อยกว่าก็อยากให้เขาให้ความเคารพผู้สูงกว่าก็อยากจะให้เขาเมตตาไม่ให้เขาดูถูกดูแคลนความอยากเหล่านี้ก็ เป็นสมุทยัยความอยากให้จิตสงบในรูปฌปานในอรูปฌปานก็เป็นสมุทยัยเพราะฌานมันก็เป็นอนิจจังมันไม่ถาวร อ, อยู่ในฌานได้นัยหนึ่งมันก็ต้องถอนออกมาแต่ยังอยากอยู่อีกพอออกมาก็มีความทุกข์ใจอยากจะให้มันกลับเข้าไปอีกอย่างนี้ นี่คือเรื่องของสมุทัยเรื่องของความทุกข์ใจที่เกิดจากสมุทัยที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตว okay. นวัลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเพราะเรื่องของร่างกายนี้จิตไม่ได้ทุกข์กับมันแล้วผู้ปฏิบัติไม่ได้ทุกข์ไปกับเรื่องของร่างกายแล้วเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ทุกข์แล้วเรื่องของความสวยความงามของร่างกายก็ไม่ทุกข์กับมันแล้ว ใครยาแต่งตัวให้สวยให้งามขนาดไหนมันก็ไม่สามารถมาหลอกจิตที่มีปัญญาที่เห็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาได้แต่ยังไปติดอยู่กับภาวะข อ, ของจิตของใจที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทำความเข้าใจก็ต้องไปศึกษาทำความเข้าใจว่า สิ่ง ต, งต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไม่ว่าจะดีหรือเลวก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเรียกว่าธรรมารมณ์ต่างๆเนี่ยธรรมารมณ์นี้คือสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจที่ล้วนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายที่ต้องปล่อยวางเหมือนกับต้องปล่อยวางร่างกาย ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันต้องรู้ทันว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบังคับควบคุมมันไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศเหมือนกันแนวของการปฏิบั t นี้ใช้มรรคตัวเดียวกันใช้ปัญญาตัวเดียวกันคือใช้ไตรักอนิจจงทุกข์าอนัตตาจึงต้องพิจารณาให้มากๆเจริญให้มากๆมา ก, มากในระดับต่างๆ ระดับโสดาบันก็ต้องพิจารณามรรคของระดับโสดาบันของสกิทาคามีอนาคามีก็ต้องพิจารณามรรคของอนาคามีสกิทาคามีไปพอถึงขั้นของพระอาหารหันต์ก็ต้องพิจารณามรรคของขั้นพระอาหารหันต์ไปพิจารณาเพื่อที่จะม า, ายุติสมุทยัยความอยากให้ ธรรมารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมารมณ์เหล่านั้นเขาก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเป็นอนิจังเป็นอนัตตาใจทุกข์เพราะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องไม่ไปยึดไปติดเขาจะสงบไม่สงบก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ในรูปประชาง รู้ไม่อยู่ก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขาเขาอยู่ก็รู้ว่าอยู่เขาออกมาก็รู้ว่าเขาออกมาเขาผ่องใสก็รู้ว่าเขาผ่องใสเอเขาเศร้าหมองก็รู้ว่าเขาเศร้าหมองอย่าไปเกิดความอยากให้เขาผ่องใสไปตลอดเวลาเวลาที่เขาเศร้าหมองพอเกิดความอยากก็ะจะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าปฏิบัติไปผู้ที่ปฏิบัติคอยใช้ทุกข์กษัตริย์เป็นเป้าหมายดูใจดูอยู่ที่ใจว่าตอนนี้ใจทุกข์หรือเปล่าทุกข์กับเรื่องอะไรเพราะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าปัญญาก็จะเข้ามาบอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางให้สักแต่ว่ารู้ไปพอสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาเขาก็จะไม่มอีอิทธิพลต่อความความเป็นของความเป็นอยู่ของจิตใจใจก็จะสงบไปตลอดที่วุ่นวายก็เพราะว่าไปมีความอยากกับเขานั่นเอง อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นีนนน่คือเรื่องของภารกิจสี่ประการในพระอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาเป็นผู้เป็นพระองค์แรกหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งนำเอามาเอยแพรสั่งสอนแก่ผู้ผู้ใดสามารถนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ส่ง ปฏิบัติและสังสอนก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างที่พระ อ, องค์ทรงตัดไว้ว่าทุกที่ต้องกำหนดรู้ตถาคตได้กำหนดรู้มาแล้ว ร, ลรู้มาแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนนี่คือพระ อ, องค์สามารถสอนพระ อ, องค์เองได้ว่าทุกนี้ต้องรู้ต้องรู้ว่าขณะนี้เราทุกหรือไม่ทุก เราทุกเราต้องรู้แล้วว่ามันมีเหตุเหตุก็คือสมุทยัยความอยากต่างๆก็ต้องไปละมันถ้านึงบอกว่าทุกข์ที่ต้องกําหนดรู้ต ถ, ถาคตได้กําหนดรู้แล้วโดยที่ไม่มีใครบอกสมุทัยที่ต้องละต ถ, ถาคตได้ละแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกให้ละต ถ, ถาคตจะรู้เพราะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ทุกข์นั่นเอง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องละตัวนี้นิโรธที่ต้องทำให้แจ้งตถาคตก็ได้ทำให้แจ้งแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกมรรคที่จะต้องเจริญให้สมบูรณ์ต้องเจริญให้เต็มที่ตถาคตก็ได้เจริญเต็มที่แล้วภารกิจทั้งสี่ประการของพระอริยาาสัจสี่นี้ ก็สมบูรณ์ทำทบทวนบริบูรณ์พอทำเสร็จภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วก็ไม่มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำอีกต่อไปกิจของผู้ปฏิบัติจบตรงที่พระกิจของพระอริยสัจสีนี้คือทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรต้องทำต้องเจริญให้มากต้องเจริญให้เต็มที่ ถ้าได้ทําภารกิจทั้งสี่ประการนี้ครอบถ้วน บ, บริมนแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจิตก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาทุกข์กับสิ่งต่างๆอีกต่อไปเนี่วุชิตังบ ร, รมจารย์อย่างจิตในภรมจารย์ก็ได้ถึงถึงเวลาสิ้นสุดแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปแล้วจิตหลุดพ้นจากบนถิ่นทั้งปวงะ เหมือนผู้ที่ออกจากคุกจก่กออกจากตารางไม่ต้องไปใช้โทษรับใช้โทษอีกต่อไปโทษของจิตที่ยังติดอยู่ก็คือต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่ได้ทำภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้สมบูรณ์นั่นเองถ้าได้ทาภารกิจทั้งสี่ประการนี้สมบูรณ์แล้วก็ถือว่าได้หลุดออกจากคุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเรานี้ได้มีโอกาสได้มาพบถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏนี้จะไม่มีสัตว์โลกแม้แต่ตัวเดียวที่จะรู้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้แล้วถ้าไม่รู้ภารกิจทั้งสี่ประการนี้ ก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งสีประกาศนี้ให้รั่วล่วงไปได้เพื่อให้จิตได้หลุดพ้นจากมวลถิ่นทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พระคุณของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกนี้จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทําให้จัดโลกทั้งหลายนี้ ได้หลุดพ้นออกจากวัตฏะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นพวกเราถ้าเราอยากที่จะตอบแทนบุญบุญคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้พระ อ, อง์ก็ส่งตัดว่าให้ตอบแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเป็นการบูชาตถาคตอย่างาแท้จริงผู้ใดที่ปฏิบัติทมสมควรแต่ทา ผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตนี่คือกิตของพวกเราหน้าที่ของพวกเราถ้าเราอยากจะตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเราก็อย่าปล่อยเวลาอันมีค่าของของการเป็นนักปฏิบัตินี้ไปทําภารกิจอย่างอื่นให้มาทําภารกิจทั้งสี่ประการนี้อย่าไปสนใจกับเรื่องภายนอก ทำเท่าที่จำเป็นเรื่องภายนอกเรื่องการดูแลธาตุขันก็ทำไปเช่นบิณฑบาตหาอาหารมารับประทานถ้าเครื่องนุ่งห่มไม่พอใช้ขาดแคลนก็ไปหามาถ้ามีพอแล้วก็อย่าไปดิ้นไปหามันให้เสียเวลาที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบฝนได้พอบำเพ็ญได้ก็พอแล้วอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องภายนอก ให้มาทำภารกิจภายในภารกิจในอริยาาสัจสี่นี้เป็นภารกิจภายในเป็นภารกิจของใจไม่ใช่เป็นภารกิจของร่างกายภารกิจของร่างกายก็คือปัจจัยสที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนึ่งห่มแต่ภารกิจของใจก็คือทุกสมุทัยนิโรธมาทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละ นิโรธต้องทำให้แจ้งมากต้องเจริญให้เต็มที่ให้สมบูรณ์นี่คืองานที่แท้จริงของเรางานภายในไม่ใช่งานภายนอกงานภายนอกทำให้มันวิจิตพิสดารขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะมาปลดเปลื้องใจให้หลุดออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่กลับจะผูกให้ติดอยู่กับ วัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้แน่นขึ้นไปอีกะฉั้นอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องภารกิจภายนอกทำเท่าที่จำเป็นทำเพื่อที่จะได้เอาเวลามาปฏิบัติกับภารกิจภายในคือกิจในพระอริยสัจสี่อย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นอย่ามวัวไปสร้างถาวารและวัตถุต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไม่ใช่เป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงการบูชาที่แท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการทําภารกิจภายในใจสี่ประการนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขอฝากเรื่องของภารกิจทั้งสี่ประการนี้ให้กับนักปฏิบัติผู้ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้นำาอาใบพิิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริภูรเรนติสากรัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะธาเมเนโชติละโสยะธาสัพพิเตโยวิวจันตุสัพพโรโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรรมวัานเตอายุวันโอสุขังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามผ่านทางไมโครโฟนถ้าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบอย่ามาถามตอนหลังใหม่ต้องถามตอนหน้าใหม่จะได้คนอื่นจะได้ฟังด้วยจะได้ประโยชน์เอาเชิญครับนวส ก, การพระอาจารย์ครับเวลาจิตเราสงบแล้วเนี่ยาการออกจากความสงบมาพิจารณาร่างกายครับอาจารย์ คือเราจะพิจารณาอาการ32อสุภกรรมฐานทีนี้ผมอ่านพ ร, พระสูตรจากพระไตรปิฎกครับพระพุทธเจ้าท่านท่านจะสอนเรื่องการกระจายผัสสะเยอะมากเป็นอันดับหนึ่งเลย ค, คือท่านจะบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนตตาครับจารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคำถามผมคือว่าเราจําเป็นจะต้องกระจายอายตนะเป็นส่วนๆอย่างนั้นหรือเราแค่ดูองค์รวมของร่างกายก็พอครับอาจารย์ ก็แล้วแต่ว่าเราติดอะไรถ้าเราติดรูปเราก็ต้องพิจารณารูปติดเสียงเราก็ต้องพิจารณาเสียงมัติดกลิ่นกลิ่นรสเราก็ต้องพิจารณาไปตามที่เราติดคือต้องต้องปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสผลตถาภะให้ได้แล้วก็ถ้าติดกามอารมณ์ก็ต้องพิจารณาสุภะมานแล้วแต่ว่าเราติดอะไรเหมอนเหมือนกับยารักษาโรค เพนั น, ม, นมันแล้วแต่ว่าเราเป็นโรคอะไรโรคปวดหัวเราต้องกินยาแก้ปวดหัวโรคปวดท้องเราก็ต้องกินยาแก้ปวดท้องนันปกติคนเราก็ติดขั้นต้นเนี่ยก็ต้องติดราบยดสรรเสริญติดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเนี่ยพวกที่ไม่ได้บวชกันนี้ก็ติดพวกนี้กันทั้งนั้นก็ต้องละพวกนี้ก่อนถึงจะเข้ามาบวชได้ แต่พอมาบวชแล้วก็พระเจ้ากาสอนนี่เป็นนาสุภาเพราะมันจะมาติดไอ้เรื่องการมลลมแทนไอ้รูปเสียงกินรดมันละได้แล้วเพราะมันกินอยู่ยังไงก็ได้แล้วคนที่มาบวชเนี่ยนอนกระดินกินกระใสกินอาหารคุกในบาศได้มันก็ไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องราบเยะเรื่องรูปเสียงกินรดเรื่องราบยศก็สลายไปแล้วไม่ติดแล้วนั่นมัน เวลาผู้เจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งเราต้องดูว่าท่านแสดงให้ใครฟังบางทีก็เป็นคารวะบางทีก็เป็นนักบวชทรมันจะไม่เหมือนกันตอนต้นนี้พระนุนจะในในพระสูตรแต่ละพระสูตรจะมีบอกไว้ว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแสดงธรรมให้กับใครแล้วเราก็จะรู้ว่าธรรมที่ท่านแสดงนั้นแสดงให้กับคารวะหรือแสดงให้กับพระ เราก็เปรียบเทียบตัวเราว่าตอนนี้เราเป็นพระแล้วเราเป็นคารวะล้วก็ต้องดูว่าทมอันไหนมันเหมาะกับเราอย่นถ้าพูดโดยปกติตามขั้นของการปฏิบัติขั้นแรกก็ต้องละลาบยศสรรเสริญสุขก่นอนโลกธรรมแปดโลกธรรมที่คนที่เป็นคารวะยังติดกันอยู่ถ้าละโลกธรรมแปดได้ก็ไปบวชได้ ไปบวชแล้วก็ก็ต้องระมัดระว่างเพราะบางทีนักบวชบางคนก็บวชแล้วก็ยังกลับมาติดลาบยศสรรเสริญได้อยแ่แต่ถ้าคนบวชจริงๆละได้จริงๆเขาไม่สนใจละอย่างพระป่านี่ท่านไม่สนใจกับเรื่องตำแหน่งอตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆท่านมุ่งไปสู่การตัดกิเลสตัดปัญหา ท่านก็จะบวชปั๊บท่านก็จะพิจารณาสุภาษะเพราะว่านี่เป็น เ, เป็นธรรมอันแรกที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติให้พระอุป a า h a สอนผู้มาบวชใหม่เลยเต้องพิจารณ า, ากรรมฐานห้ากรรมฐานห้าก็คือเกสาโรโนมานะขาดันตาตาโจเป็นอาการห้าประการที่เรามองเห็น เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพิจารณาว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่สวยไม่งามพิจารณาดูเวลาผมมันงอกผมมันขาวดูเวลาหนังมันเหี่ยวหนังมันย่นดูเวลาฟันมันหลุดฟันร้อยพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามแล้วมันก็จะได้ไม่หลงไหลข้างใครกับเวลาเห็นภาพเห็นรูปสวยๆงามๆขึ้นมามันก็จะดับกามอารมณ์ได้ แต่ถ้ามันไม่พอก็ต้องพิจารณาเข้าไปถึงข้างในเอาไปดูว่าการสามสิบสองดูวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆหรือไปดูตอนที่คนตายแล้วเป็นอย่างไรเปรียบเทียบดูคนตายกับคนเป็นคนคนเดียวกันเวลามีลมหายใจทำใํำไมอยู่กับเขาได้พอเวลาเขาไม่หายใจแล้วนี่รากกันขนาดไหนก็ไม่อยู่แล้วส่งให้วัดแล้วส่งให้ศับเปลเหลือง พิจารณาโดย่งั้นมันจะได้คลายกามอารมณ์ได้ผ้าเหลืองจะได้ไม่ร้อนฉะนั้นเรื่องการที่พระเจ้าสอนให้เจริญปัญญานี้มันก็พูดเป็นขั้นๆก็อย่างนี้ขั้นแรกก็ลาบยศสรรเสริญพอละลาบยศสรรเสริญได้แล้วก็มาพิจารณาขันห้ารู ป, ปขันกับเวทนาขันรูปก็คือเวลาแก่เวลาตาย เวทนาขันก็คือเวลาเจ็บเวลาร่างกายเจ็บก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็พิจารณาอย่างที่สอนว่ามันเป็นตายรักไปห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันเป็นตามความต้องการของเราก็จะผิดหวังจะไม่ได้ดังใจแล้วก็จะทุกข์แต่ถ้าพิจารณาว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราปล่อยฝนฟ้าอากาศ ฝนจะตกเรามันก็ไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาร่างกายนี้ก็เหมือนฝนฟ้ากายเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไปห้ามสอนไม่ได้ก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปก็สอนนั้นเองมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีของคนที่เรารักก็ดีเนี่ยเราต้องพิจารณาหมดพระเจ้าสอนพิจารณาตั้งกายของเราและกายของผู้อื่น เราพิจารณาพร้อมๆกัน us, ไปด้วยอันต้นั็พิจารณากายเราก่อนแล้วก็พิจารณากายของผู้อื่นแล้วก็พิจารณาทั้งข like องเขาถถทั้งของเราเพื่อจะได้เห็นว่าเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าเราพิจารณาแต่ของเราเราก็จะไปคิดว่าเราคนเดียวที่จะแก่เจ็บตายถ้าเราไปพิจารณาคนอื่นก็จะไปคิดว่าเขาคนเดียวที่จะแก่เจ็บตายคนอื่นไม่แก่เจ็บตาย แต่พอเราพิจารณาว่าทุกๆคนเหมือนกันหมดมันก็เลยจะทําให้เรารู้สึกเฉยๆไม่มีใครกาไรหรือขาดทุนเวลาเห็นเพื่อนหรือคนที่เรารักไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลจะตายเราก็จะไม่รู้สึกว่าเขาขาดทุนเพราะเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาทุกคนก็จะเป็นเหมือนเขาเป็นแต่ว่าตอนนี้เป็นคิวของเขานั้นเองแล้วต่อไปก็เป็นคิวของเรานี่คือพอถึงเรื่องของร่างกายเนี่ย พิจารณาแล้วก็พิจารณาเรื่องอาสุภะเพื่อตัดกามอารมณ์แล้วก็เข้าไปในจิตเพื่อไปพิจารณาเรื่องธรรมอารมณ์อีกทีหนึ่งเนี่ยมันถึงจะครบถ้วนบริบูรณ์แต่เป็นตายรักทั้งหมดนใช้ตายรักเป็นเป็นตัว <c oughs> ตัวชี้ขาดเพราะถ้าเห็นตายรักก็จะหยุดตัณหาได้ถ้าหยุดตัณหาได้ก็หยุดความทุกข์ได้จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป ใจจะผองใสใจจะเศร้าหมองใจจะหงุดหงิดใจจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันไปเรื่องของมันให้รู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นยิ่งไปทำอะไรกับมันยิ่งวุ่นใหญ่ยิ่งอยากให้มันหายใจยิ่งทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง็เลยเป็นความทุกข์สองชั้นขึ้นมาแล้วเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของของธรรมอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับอาจารย์ครับผมขออีกข้อนึ ง, งสั้นๆครับอ่ ตอนนี้ผมผมขอนี้ถามลุงหน้านะฮะคือถ้าเราจะบรรลุพระอาหารหันต์ได้เนี่ยมีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้อรูปชานะเพราะว่าสังโยชน์ข้อที่เจนี่คื อ, อความพอใจในอรูปชาไม่หรอกถ้าถานาคาเมนิจิตมันก็มันก็ได้รู ป, ปรชานอรู ป, ปรชาโดยอัตโนมัติเพราะว่ากิเลสตัณหาที่ทําให้จิตมันหยาบมันถูกทําลายไปจิตมันก็เลยละเอียดมันก็ละเอียดอยู่ในระดับรูปรชานอรูปรชา เขาเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิไงตักิเลสได้ด้วยปัญญาจิตก็จะสงบเข้าไปสู่รูปประชานาะรูปประชานได้มีใคร่สาสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคือว่าลูกเจ้าค่ะปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะลูกมีความสงสัยว่าคือลูกก็คิดว่าลูกเออ น่าจากนิ่งแล้วก็สงบเจ้าค่ะก็เลยเคลื่อนไหวช้าช้าลงมากเจ้าค่ะแต่ลูกสงสัยว่าโดยปกติเนี่ยลูกเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเจ้าค่ะลูกเลยสงสัยว่าทำไมไวเวลาลูกแบบทําตัวไม่เรียบร้อยเจ้าค่ะพูดเสียงดังอย่างนี้เจ้าค่ะลูกจะรู้สึกลำคาญนั่งสมานั่งขัดสมาธิทานข้าวอย่างนี้เจ้าค่ะลูกจะรู้สึกว่ามัน มันมันไม่เรียบร้อยมันแป๊บใจมันแป๊บเจ้าค่ะมันจะให้แบบนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเดินเร็วๆก็ไม่ได้เดินเสียงดังก็ไม่ได้ลูกสงสัยเจ้าค่ะว่าลูกเป็นอะไรเจ้าค่ะก็เป็นกิเลสเนคือมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเดินช้าเดินเร็วหรือเดินมีเสียงไม่มีเสียงมันก็เป็นเรื่องที่มันมีเหตุมีผลของมัน เราผู้ปฏิบัติต้องรู้จักทำใจไม่ให้ไปวุ่นวายไปกับมันส่วนไหนที่เราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วเราแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปแต่ใจเราไม่ต้องไปหงุดหงิดไปกับมันเข้าใจไหมหมายถึงถ้าเราเดินแล้วมันเดินบนที่มัพื้นมันเสียงมันดังอย่างนี้เราก็ลองเดินให้มันค่อยดูอยาให้มันมีเสียงดูถ้าเราไม่ชอบเสียงแต่ความจริงมัน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงปัญหาอยู่ที่เราไปชอบมันหรือไม่ชอบมันความชอบไม่ชอบนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสใจต้องเป็นกลางเฉยๆมีเสียงก็ได้ไม่มีเสียงก็ได้แต่จะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ต้องให้มีเหตุมีผลเช่นถ้าเราอยู่ในที่ต้องการความสงบเราก็ต้องเดินแบบไม่ให้มีเสียงเพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนผู้อื่นแต่ไม่ได้เดินเพื่อไม่ให้มีเสียงเพื่อทาให้เราสบายใจ ใจเราต้องรู้จักปรับกับธรรมชาติรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่บางทีเราไปควบคุมบังคับไม่ได้อย่างเวลาเรานั่งคุยกันตรงนี้เดี๋ยวเกิดฝนตกลงมามันก็จะเสียงดังถ้าเราไม่ชอบเสียงดังเราก็จะหงุดหงิดไม่สบายใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเราทําใจว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเราห้ามมันไม่ได้มันจะดังก็ปล่อยมันดังไปอย่าไปอยาก ยาก็คือตัญหาเป็นสมุทยัยต้นเหตุของความไม่สบายใจเข้าใจไหมที่ตอบมานี้ตรงกับที่ถามม้ยเปล่าตรงเจ้าค่ ะ, ะแล้วถ้ารำคาญเสียงทีวีรำคาญคนรอบร อ, อบกายอย่างครอบครัวถ้าอยู่อยู่กับหลายๆคนอย่างนี้เจ้าค่ะก็รำคาญอันนี้ก็เป็นกิเลสปัญหาเหมือนกันใช่ไ้มคะใช่เราต้องทาใจ แล้วถ้าลูกอยากอยากอยู่คนเดียวเจ้าคะ่ะไม่อยากพบปะสังคมอยากจะอยากจะวิเวกอยู่คนเดียวอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้กิเลสไหมเจ้าคะถ้ายัางไปไม่ได้ก็เป็นกิเลสถ้าไปได้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าต้องอยู่กับคนอยู่เราอยากไปมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไปได้แล้วอยากไปอย่างนี้ไม่เป็นกิเลส อยากไปก็ไปเลยสิถ้าไปได้อห็นี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมแล้วก็อีกข้อนึงเจ้าค่ะลูกสงสัยว่านีมิตเจ้าค่ะนีมิตรบางครั้งลูกเห็นด้วยตาเนื้อเจ้าค่ะแบบเวลาหลับตาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่สมาธิเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อบางครั้งลูกก็ก่อนจะนอนอย่างเงี้เจ้าค่ะลูกก็เหมือนฝันแต่ว่ามันมันอยู่ในมโนเจ้าค่ะมัน มันคล้ายๆฝันแต่ลูกยังไม่ได้หลับเจ้าค่ะลูกตู้สงสัยว่าถ้าถ้าเห็นเห็นเหมือนฝันลูกลูกแยกไม่ออกเจ้าค่ะว่ามันเป็นฝันหรือมันเป็นนิมิตเจ้าค่ะมันต่างกันยังไงหรือเจ้าคะมันเป็นตัวเดียวกันน่ยมันจะฝันหรือนิมิตมันก็ตัวเดียวกันมันออกมาจากใจเหมือนกันสิ่งที่เราวิธีการปฏิบัติกับนิมิตก็คือพิจารณาว่ามันเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้ว มันจะดีจะชั่วก็เรื่องของมันเรารักษาใจเราตัวเดียวพออย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมันแล้วถ้าลูกลูกจิตใจเหมือนมันเหวี่ยงเจ้าค่ะว้าวุ่นขึ้นมาลูกเกิดความอยากขึ้นมาให้ลูกแก้ตรงนั้นอย่างไรดีเจ้าค่ะหลวงพอ่อวิธีแรกง่ายๆก็คือใช้พุโทโธบริกรรมทําใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากถ้าทําไม่ได้ก็ต้องใช้ เอาพิจารณาด้วยปัญญาว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรแล้วมันสามารถทาให้เราได้ดังใจอยากหรือเปล่าถ้าไม่ได้ดังใจอยากเราก็ต้องหยุดความอยากหรือว่าอยากแล้วมันไม่ดีเป็นโทษก็อย่าไปอยากความอยากมันทีมันเป็นโทษอยากกินกาแฟอย่างเงี้ยราเกิดความอยากดื่มกาแฟแล้วไม่ดื่มกาแฟใจมันก็หงุดหงิดลาคาญใจ เราพิจารณาว่าควรจะทําอย่างไรดีควรจะดื่มหรือควรจะไม่ดื่มถ้าดื่มมันก็จะติดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องอยากขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการให้มันไม่อยากอีกต่อไปก็อย่าไปดื่มมันฝืนมันไปนั่งพุทโธพุทโธทําใจให้สงบแทนถ้าใจสงบแล้วความอยากดื่มกาแฟก็จะระงับไปแล้วครั้งต่อไปความอยากมันก็จะไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้ แต่ถ้าเราทำตามความอยากครั้งต่อไปความอยากมันจะรุนแรงกว่าครั้งนี้มันจะอยากมากกว่าครั้งนี้นวิธีปฏิบัติกับความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากโดยอาศัยการใช้สติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยเหลือใจเวลาอยากก็หงุดหงิดลำคาญใจก็พยายามพุโทโธพุโทโธไป อย่าไป น, นึกถึงเรื่องราวต่างๆเดียวใจก็จะสงบแล้วความหงุดหงิดลำคาญใจก็จะหายไปเพราะความอยากได้ถูกอังับไว้ชั่วคราวแต่ยังไม่หายอย่างถาวรจะหายอย่างถาวรต้องเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นโทษกับใจต้องไม่ทำตามมัน่าต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณมยุรี ทำไมโยมถึงคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางครั้งโยมก็ไม่ได้ได้ตั้งใจคิดถึงเรื่องแบบนี้เลยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนปัจจุบันอายุ36ปีเป็นเพราะอารมณ์ของคนใกล้ตายหรือโรคประสาทอ่อนๆหรือกลัวตายมากจนขึ้นสมองหรือโยมมีอะไรบางอย่างในตัวหรือเปล่า พรเท่าที่รู้คนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงเรื่องความตายโยมเป็นอะไรกันแน่คะคือมันต้องแยกอยู่สอ ง, สองประเด็นด้วยกันว่าถ้าเราคิดถึงความตายแล้วใจเราหงุดหงิดหรือใจเราสงบถ้าใจเราหงุดหงิดนี้ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสเกิ ค, ความกลัวตายอยู่พอคิดถึงความตายแล้วก็จะเกิดความ หงุดหงิดความหดหู่ใจถ้าอย่างนี้เราก็ควรที่จะระ ง, งับมันไปก่อนอย่าพึ่งไปคิดมันหัดทําใจให้มีสติมีสมาธิมากขึ้นเวลาคิดถึงความตายใจจะได้ไม่มีอารมณ์หดหูด่แต่ถ้าเราคิดแล้วใจเราสงบความโลภความโกรธความหลงต่างๆเบาบางลงก็ถือว่าเป็นการคิดที่ดีเป็นปัญญา ส่วนสาเหตุนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตรเราเคยพิจารณาอย่างนี้มาก่อนติดมาเป็นนิสัยเราเคยทาอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยมาถ้าเราเคยพิจารณาคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆพอเรามาเกิดเราก็จะคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆที่เราต้องรู้ว่าเราจะเอามาทำประโยชน์ได้อย่างไรการพิจารณาความตายนี้ก็เพื่อ ดับความทุกข์ใจที่จะเกิดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมตายจะไม่อยากตายกันแล้วถ้ามีความไม่อยากตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาความตายแล้วเรารู้ว่าเราหนีไม่พ้นความตายเรามาทาใจยอมรับความตายถ้าเราทำได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับความตายอย่างต่อไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูยังคาใจกับเหตุการณ์ที่เพื่อนบอกเลิกคบเพราะหนูไม่ได้ทำตามที่เขาชวนทั้งไปงานปาร์ตี้กินดื่มเที่ยวซึ่งหนูไม่ชอบเพราะหนูอยากปฏิบัติธรรมหนูอยากพ้นทุกข์แต่ที่หนูยอมไปกับเขาเพราะหนูเกรงใจเขามีบุญคุณกับหนูเขาแนะนำให้หนูมีชีวิตที่ดีขึ้นครั้งนี้หนูปฏิเสธ เขาโกรธแบบบอกเลิกคบแรกๆหนูก็เสียใจแต่ก็คิดว่าดีแล้วที่เขาเลิกคบเราจะได้ไม่ไปลงนรกกับเขาเราจะได้ปฏิบททัติธรรมแต่พอมาปฏิบัติแล้วบางครั้งมันก็คิดถึงเพื่อนวางเพื่อนไม่ลงเพราะคิดถึงแต่ว่าเขามีบุญคุณกับเราหนูต้องทำอย่างไรดีคะก็ทำอย่างที่ทำนี่ถูกแล้วเพียงแต่ต้องระ ง, งับความคิดถึงเขาไป ทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาก็พยายามอยากคิดบริกรรมพุโทโธภาวนาไปหรือว่าถ้าจะคิดก็คิดว่าอย่างที่เราคิดเมื่อครั้งแรกหอว่าถ้าไปอยู่กับเขาเดียวก็พาเราไปตกนรกเรื่องของบุญคุณนี้เราตอบแทนได้หลายวิธีไม่จำเป็นจะต้องไปตกนรกกับเขาเวลาเขาเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือเขาได้เราค่อยไปช่วยเหลือเขาก็ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม เวลาสวดมนต์ไหว้พระกลางคืนแล้วอธิษฐานให้สามีลูกและคนที่เรารักมีอายุยืนยาวปลอดภัยถือเป็นศีลละพัตตาปลามาหรือไม่ค ะ, ะก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเป็นศีลละพัตตก็ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้สอนให้คิดแบบนี้ เขาจะเล่าสอนให้คิดว่าทุกคนเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันคนจะอยู่ยาวหรือสั้นนี่ก็อยู่ที่บุญกรรมที่ทามาในอดีตคนที่มีบุญมากก็อายุก็อาจจะยืนยาวนานคนที่มีกรรมมากอายุก็จะสั้นนั่นเราไปเราไปห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาให้พิจารณาเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเรียกว่าเป็น การปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติคือสุปฏิปัโนถ้าไปอธิษฐานขอโน่นขอนี้เรียกว่ามันมันไม่ใช่เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นศีลพัตตก็ได้เพราะเท่าที่เข้าใจคําว่าศีลพัตตก็คือการปฏิบัตินอกคําสอนของพระพุทธเจ้าคําถามต่อไปจากผู้ฝากถาม ถ้าโยมจะนำลูกชายมาบวชที่วัดจะต้องทำอย่างไรบ้างคะมีกฎระเบียบอย่างไรบ้างทางวัดเขาก็มีจัดพธิธีบวชให้อยู่เป็นระยะระยะรู้สึกว่าทุกเดือนจะมีกำหนดวันบวชขึ้นมาผู้ที่ต้องการบวชก็จะมาสมัครดา แ, แจงความจำงว่าต้องการบวชแล้วก็รอวันที่เขากำหนดบวชให้ทางวัดจะบวชให้พร้อมๆกันเป็นบวชหมู่ไม่ได้บวชเดียว เพราะว่าต้องไปนิมนต์พระอุปชาัยะามาจากวัดที่จังหวัดชนบุรีเออมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าท่านจะมาเป็นอุปชายาัยะให้งนั้นก็เลยต้องบวชพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องเดินทางมาบ่อยเดือนหนึ่งท่านก็จะกำหนดรู้สึกว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนของทุกเดือนวันอาทิตย์หรือวันเสาร์อย่างวันนี้ก็มีวันบวช วันนี้ก็บวชกันวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบถ้าต้องการก็มาติดต่อกับพระที่อยู่กุฏิหมายเลขสี่จะมีพระที่เรียกว่าเป็นพระธุรการท่านก็จะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆให้ทราบคำถาม่ะหลวงพำถามหมดแล้วใครอยากจะถามถามไดน้นตอนนี้อย่ามาถามตอนที่ปิดไม้ปิดเครื่องนะตอนนี้ โอกาสให้ถามได้เต็มที่เลยเอา้านับหนึ่งสองสามนับถอยหลังแล้วนะพอปิดต้อมมาเลยเอา้าก็สมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ